คูดคำสั่งสอนของหลวงพระเทียมซึ่งผมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสาพบ ก, กับท่านและได้ติดตามท่านไปนะครับที่หลงพระเทียมได้อาให้พวกกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมตามท่านไปนะครับผมก็โชคดีที่ คือผมก็ตั้งใจที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วผลของการปฏิบัตินั้นจะทำให้ท่านคงอยู่ด้วยความสงบสุขในจิตและทำให้ท่านดำเนินชีวิตได้อย่างราเรียนเป็นไปอย่างต้องผมสำรวจ ด, ดูในฐานะที่เป็นครูเก่าคนหนึงดูแลววเป็น ผู้ที่ยังหนุ่มสาวอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเมท่านมาฝึกปฏิบัติแนวจริรูสติหลวงประเทียนแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาชีวของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองชีวิตส่วนตัวชีวิตหน้าที่การงานท่านจะแก้ไขได้อย่างเป็นระบบนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้น จากการเข้ามาปฏิบัติตในอลุกพ่เทียนเมื่อปี2526ผมกับภรรยาได้เข้ามาร่วมในกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมสมัยนั้นมีคุณวิทิชัยทวีศักสิ ร, ริทนเป็นประธานกลุ่มกลุ่มนี้ตั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำงานกลุ่มนี้ จะจบคณะเศรษฐศาสตร์ามาได้รธรรมศาสตร์ทั้งสิ้นซึ่งภรรยาผมก็จบจากที่นี่แต่ส่วนตัวผมนั้นจบจากมสวภาสามิตรดับยโทกก็ได้มาร่วมกลุ่มทำ ง, งานที่สศน์ในนพชหรือเพืเทียนในหลายเรื่องเรื่องที่สำคัญก็คือการทำหนังสือของหลวงพ่อเองซึ่งหลวงพ่อปรารถนาจะเผยแพร่ทำสั่งสอนออกสู่สาธารณชนวงกว้าง ซึ่งพวกเราก็ตั้งใจทํำกันแบบเหมือนกับงูบะปลาซึ่งอาจารย์ท่านจะทราบดีนะครับเพราท่านก็อยู่ในตรงนี้มาเราก็ทํากันโดยหนังสือนี้จะถูกส่งไปตามาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยตามคุกทั่วประเทศห้องสมุดของนักศึกษานักเรียนทั่วประเทศและรวมทางเทปทุกแม่ก่อนเป็นทปเทปคัสเซต นะครับก็ส่งไปพร้อมด้วยแล้วนอกจากนั้นก็นนมีสมาธิกลุ่มศึสษาปฏิบัติธรรมประมาณแปดร้อคนทั่วประเทศซึ่งเราจะส่งทั้งเอกสารสหนังสือไปให้ทุกท่านเหล่านั้นและเชิญชวนมาปฏิบัติที่วัดสนามในนะครับทีมงานของกลุ่มดึสสาปฏิบัติธรรมก็จะคอยต้อนรับดูแลที่วัดสนามในแล้วนอกจากนั้ น, น, นเราก็พัฒนาวัดทําทุกอย่างทำให้วัดเจริญขึ้นทั้ง ผมดินปรับภูมิกุติปลูกต้นไม้แดดก็ตามโดยพวกเราได้คุยกันในสาวิปัสนาจารย์ซึ่งก็มีท่านอาจารย์รวมอยู่ด้วยว่าพรสธน้ำในแห่งนี้คนจะเป็นที่สาหรับแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพเพราะว่าพระปฏิบัติพระป่าที่มาจากไพศาลเป็นส่วนใหญ่นั้นมาแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพแล้ว มองเห็นว่าการปฏิบัติแนวศาสนาพุทเทียนนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงพเพราะเป็นการปฏิบัติแบบเปิดหูเปิดตาเปิดอวัยวะทุกส่วนประจนกับข้อได้จริงได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแก้ไขได้อย่างสง่า ง, งามผู้ง่าใช้คำชำนี้ก็แล้วกันผมไม่ทราบไปใช้คำสมมติบัญญติได้ดีแค่ไหนเพราะผมก็ไม่ใช่นักพูด ถูกเชิญมาวันนี้ก็ด้ว่ความจำเป็นนะครับขณะปฏิบัติธรรมอยู่เมื่อช้านะตอนทีห้าอาจารย์ถามว่ามีรถไหมผมมีครับอาจารย์จะมาที่สวนโมกให้ส่งหน่อยผมก็มาขณะนั่งมาในรถท่านบอกว่าดีแล้วแหละวันนี้จะให้มาพูดด้วยแล้วผมก็ไม่ใช่ทางพูดต้องขออภัยครับครับพราะาิเนี่ยนะครับด้วยภรรยาผมเอง ภรยาผมเปนคนดึงพอหนุ่มๆผมชอบดื่มผมเมาเหล้าตลอดเมาเช้เชาเมาเย็นตอนเช้าก็ถอนตอนเย็นก็กินเพื่อนก็เยอะมีอยู่วันหนึ่งวันที่หนึ่งมกราสองพันรเจ็ดภรยาบอกว่าเข้าวัดเถอะผมก็เข้ามาด้วยความจำใจในการปฏิบัติแต่ผมช่วยงานอยู่แล้วนะฮะช่วยงานกลุ่มอยู่ตลอดใช้ผม <c oughs> แกะเทปหรือเทียนผมก็ช่วยแกะ จะให้ผมโตัวเหนียวเอกสารกลับถึงบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็ทําช่วยคุณทิชชัยเนี่ยคุณทิชชัยแกไม่มีรถครับแกก็มีรถซูเตอร์อยู่คันผมก็ให้ท้ายซูเปอร์ต์แกกลับบ้านหลังจากเสรงานตัเหนียวเอกสารถึงประมาณถึงว่าประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนวันดีคืนดีก็มีขนมเนี่ยไปแขวนไว้หน้าบ้านนะครับตอนนั้นผมอาศัยอยู่ที่ขุนนอนค์ขาไม้ติงชันเป็นบ้านภรรยาผม แขวนไว้แล้วก็โทรสารมาบอก<ล>พัรวดผมมีของแข็งขนมที่พี่ชอบสิ่งต้างมันผูกพันทู ก, กพี่ของโยงใ่กันกันเมื่อผมเข้ามาวัดเมื่อผมเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วั ด, วดในวันที่หนึ่งมกราถามว่าผมศรัทธาไหมยังไม่เต็มร้อย พอผมยังนึกอยากจะดื่มสุราอยู่จังเปรี้ยวปากอยู่นะครับมาเรื่อมเดินจงกลมหลังโบสถ์ราสนามในเดินไปผมก็เบื่อเดินไปผมก็ลําคานแล้วมเดินทํำไมมาสร้างจังหวะทำไมยกมือไปยกมือขึ้นมาไม่เห็นได้อะไรเมื่อยก็เมื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยยุ่งก็กัดเนืยุ่งตัวโตมาก ร้อนกงวันวันครับงนจะหนานิดนึงร่วง1มกรลานี่ช่วงกลังเย็นนะครับลังเข้าเ้าหนาวตอนนั้นนะครับขอบคุณครับเสร็จแล้วผมก็ทำวาเพียนไปเรื่อยโมดที่1นะครับเบือแล้หน่ยเส้นไม่อยากทำอย่างมากอาการอยางท่าอาการ แต่ท่านทีอยู่วาสนามายเนี่ยเขาไปสอบพิลโอมไปสอบถามของใช้ทีเลยครับที่สําคัญมากนะครับเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นเตจจามิตรทางธรรมผมที่ใช้โทรศัพท์สอบถามครับว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตผมแล้วท่านจะตอบเพราะตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้สําคัญครับแล้วท่านก็จะบอกทางปฏิบัติด้วยว่า เลวัตเลว่าต้องปฏิบัตินี้นะบางท่านเรียกผมทิพติพปฏิบัติของบวชที่วัดวัดป่าวัดเขาฉลาดมาก่อนสิ่งต่างนี้สําคัญนะครับมันจะทำให้เราปฏิบัติทําได้ก้าวหน้าขึ้นทีนี้เมื่อเรารู้รูปนามแล้วนะครับครับคือรู้จักตัวเราเองแล้วเห็นความคิดแล้วเห็นร่างกายละเห็นร่างกายแล้วอ๋อมันแยกออกมาตามนี้แล้วมันจะเริ่มเข้าใจเลยหรือไม่ครับ หอาการอย่งขันห้าสอ ง, สองปวดไตรัดสมเข้าใจในพระพุทธศาสนาสี่เข้าใจในสมมุติเข้าใจในปรามารัดสมมุติก็คือว่าชื่อผมชื่อเลยวัดวิปัสนาผลผมรู้รูกนามเพื่อผมที่ไปเปลี่ยนนามสกุลนะเป็นวิปัสนาผลอ้าชื่อผมเป็นสมมติเนี่ยสมมุติเลียนนะครับครับพระเจ้าปรามารัดอ้อมันแยกออกมาแล้วเนี่ย อย่างท่านแต่ทุกท่านมีความเสี่ยงความเบื่อหน่ายความโกรธความโลภความหลงอันนี้เป็นปรมัดทุกคนทุกท่านนั่งอยู่นี่เป็นเหมือนกันหมดแต่เหมือนทั้งหมดฮะนี่คืปรามัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆตัวท่านน่ยนะครับแต่ถ้าเป็นนางสาวนั้นนายนี่นี่ยเป็นสมมติสมมติเป็นดัชเชสสมุติเรียกเพื่อเอาไว้ใช้ในสังคมนั่นเองปาเเพณีก็เป็นสมมุติฮะที่ที่บอออกมาเนี่ย ประเภน้นปรนี้ก็สมมติถ้าได้ว่ายีเนี่งก็คือกัมพีของศาสนาไม่ใช่แก่นแก่นมันจะมีข้อได้หมดเลยครับนี่มันจะมีข้อไปถึงขนาดไม่ใช่มีข้อแล้วครับมันเกิดขึ้นในจิตกระทษผมใช้คาผิดเกิดขึ้นในจิตปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยครับผมมีความรู้จิตที่เนี่ยค่อยๆค่อยๆชัดขึ้นชัดคือมีความว่า สิ่งที่มาเกาะในจิตนี้ก็ค่อยหลุดหลุดออไปบางเรื่องจืดบางเรื่องเบาบางบางเรื่องหายเลยทิ้งเข้ามาบางเรื่องเพราะอะไรเพราะเรื่องแต่ละเรื่องมีน้ำหนักไม่เท่ากันบางเรื่องนี่มีกําลังมากที่จะดึงเราไปดึงไปนี่ผมพังห่ายพังแล้วไปตามเขาเลยเฮ้ยพอพอนึกแล้วเฮ้ยมันมันสติมันบางทีมันยังไม่อยู่อะ ลอยไปตามกระแสของความคิดปึ๊บไปเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้มันไม่อย่างนั้นนะฮะอย่างเช่นผมโกรธเมื่อก่อนเนี่ยผมพอเราดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยโกรธผมชคเลยนะนะผู้ดูผมชคเลยแต่นี่นีมันอย่างนี้ครับมเหมือนแบบว่าพอเราโกรธขึ้นมาปุ๊บทนี่เราจะโป้งอะไรมันมันอว่างเลยฮะเงี้ยเนี้ยหรือไม่โกรธเาก็ตามที่ก้อนหินคว่ำคว่าไปปึ๊งมึง มันมันัเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วฮะพกอกข้มาปุ๊บบสติที่เราฝึกเนี่ยมันจะช่วยเราตรงที่ป่าหยุดเป็นเห็นปุ๊บปมันไม่ไปแล้วมันอยู่แค่นี้แล้วอกเออหาแล้วละวันนี้อาการฮะวันนี้อาการอยู่แต่มันไม่ไม่แหลกผมมันนั่งเทียบเคียงเปอร์เซ็นต์ประมาณสักมันยังได้ประมาณสักส0 4 0ซนประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเคลียร์ทั้งหมดไม่ใช่นะ ไอ้เรื่องที่จะจืดบางเรื่องไม่ใช่ จ, จืดร้อยนะฮะสีดำจะเป็นสีเทาจืดร้อเปอร์เซ็จะเหลือตกค้างมันยี่สบาสซ็นงเรื่องนะฮะบางเรื่องมันมั น, ม, นมันมีอาการเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับทนีนี้ถามว่าทําไมสิ่งต่างๆไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความเพียรพยายามในการปฏบบบิบัตินะครับอย่างผมไม่อยู่วัดสนามไหนเอาหลังสุดที่แล้วกันที่ผ่านมา ก็คงจะในเรื่องที่ผ่านมามันยาวที่ผ่านมาวันที่27ผมเข้าวัสนาร์ที่27อันนี้เปนที่เท่าไหร่ครับ10ใช่ไหมครับที่9 9ใช่ไหมครัก็ประมาณ12วันผมฝึกวันละ10ชั่วโมงครในการทาความเพียร10ชั่วโมงตั้งแต่ตี3ครึ่งนอน2ทุ่มเสร็จเป็นความเพียรที่อยู่ในรูปแบบนะครับถ้า นอกทางเดินจงกรมนอกการสร้างจังหวะผมก็จะมาอยู่กับความเคลื่อนไหวที่ตัวเล็กๆน้อยๆเช่นยืนเดินนั่งนอนเหยียดครูผมจะรู้อยู่กับกับตัวความเคลื่อนไหวทุกๆขั้นตอนผมก็ฟังครูบาอาจารย์สอนมาถึงขนาดว่าบางท่านเนี่ยเก็บที่นอนนะฮะแต่ลืมพับพระห่มไปแล้วแต่ลืมลืมความเคลื่อนไหวตัวเองที่พระห่มมาพับใหม่แล้วอยู่ความเคลื่อนไหวจริงๆ ถึงขั้นนั้นนะคนฝึกเนี่ยละเอียดถึงขั้นนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอความกรุณาด้วยครับถ้าท่านต้องการที่จะรู้ธรรมะหลวงพ่อเทียนจริงๆเนี่ยขอความกรุณาว่าหนต้องจริงนะฮะต้องจริงแล้วท่านจะรู้ของจริงเหมนที่ผมรู้ทุกวันนี้ผมประกาศแล้วพรับว่าพระพุทธศาสนาเนั้นมีจริงมีจริงเพราะอะไรผมก็ไปอ่านหนังสือผมก็สอบถามครูบาอาจารย์พุทชงเจดนะฮะ สักกายิดถีวิธีกิจขาสีระพตปามากวิธีกิจขาผมก็แปลว่างงของผมมาที่ผมก็คือความสงสัยในพุทธศาสนาผมไม่สงสัยแล้วเพราะผมเห็นความเคลื่อนไหวของความคิดเห็นความเคลื่อนไหวของกายเรียกว่ากายยานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่ผมก็ไปเรียนมาผมก็ไปสอบถามครูบาอาจารย์ก็รู้ว่าอ๋อเห็นความคิด เห็นการในายเห็นจิตในจิตถึงนเวทนาในเวทนาเห็นธรรมอารมเข้าใจแล้วพุทธศาสนานี่จริงพระองค์สอนจริ ง, รงถ้าก่อนผมปฏิบัตินั้นผมไม่รู้ตัวนี้เลยพอมาปฏิบัติแนโลเ ท, ทียมมีคอ ไ, ได้แล้วไม่ใช่พิเคราะห์มันแจ้งในจิตเลยครับครับส ก, กายทิศจิตอ๋อความคิดคือควา ม, ค, วามคิดกายก็คือกายมันก็แยกออกมาเป็นส่วนๆเห็นชัดเจนเกสาโลมาหน้าขาตาตาโจแยกออกมาทั้งหมด สีลักษณะตามานั้นเกิดจากที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติกายวาจาใจผมสํารวมด้วยอัตโนมัติที่พะผิดสนห้านั่นผมกล่าวรับรองนะไม่มีทางเพราะเราจะผิดตุ๊บมันตึ๊บเลยฮะป๊กป๊กปเฮ้ยไม่ได้ฮะไม่เลยไม่ไปจริงสีหานี่มตั้งแต่ตามา ว่าเบลทินากาเมโมสาสุลาไม่ไม่มีฮะเพราะว่าตัวสติคุมเอาไว้เรียบร้อยเลยครับสรุปก็คือว่าความเคลืค่อนไหวแค่นี้ยฮะสามารถคุมศีลสมาธิปัญญามันอยู่ทั้งหมดเลยฮะศีลความปกติที่อาจารย์สอนอาจารย์สอนละเอียดนะแต่ว่าผมผมไม่รู้ทฤษฎีตรงนั้นผมไม่รู้แจ้งตรงนั้นชัดเจนผมรู้แบบบางๆผิวๆแต่ผมก็พูดเล่ฟังในตามที่ผมรู้นะครับ ก็สรุปหนึ่งขอทุกคนตั้งความเพียงหายอย่างนะครับถึงแม้จะอายุมากก็อย่าท้อเพราะว่าคุณกรรมผลอาจารย์ที่ท่านไม่สบายเนี่ยกมผลของบุญนุ่มเนี่ยฮะท่านเป็นอาจารย์พระร้อษาจบมสวภษ า, ามิดมิดกระโดดลงไปในสระน้าําสอนนักเรียนก็ที่สารกระแทกเลยนะครับกับพื้นศักดิท่านกติกาปฏิบัติทําโดยใช้มือพิษอย่างเดียวฮะ แต่มีโอกาสยกมือหมดทุกท่านเลยเพียงอย่างเดียวท่านก็สามารถเป็นพระโสดาปันได้ในกรุงเก่าไปไกลแล้วแหละนะครับท่านหมดทุกข์ต้องบอกท่านหมดทุกข์แค่นี้ฮะนอนทลิกมือท่านเขียนสมัยมีสมัยน้อยไปถึงหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโรสวัตป่าสุโตหลวงพ่อต้างมาตอบจดหมายมาแล้วก็ให้คำแนะนําในการปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างขนาดแล้วก็คนหนุ่มคนสาวนะครับในฐานะเหมือนลูกเหมือนหลานผมผมก็ยอยากจะขอแนะนําว่า คอ้ตั้งใจปฏิบัตินะครับเพราะว่าปัญหาชีวิตทุกวันนี้นั้นมันสลับซับซ้อนวุ่นวายมากสังคมแบ่งเป็นชนชั้นแบ่งการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นสรัดเก็บตัวนี้เอาไว้ครับยาย่านั่นเด็ดขาดเลยอย่าไปชรทิ้งเด็ดขาดนะครับพระท่านจะสามารถช่วยตัวเองได้ช่วยพ่อแม่ได้ช่วยพี่น้องได้ช่วยลูกหลานได้นะครับสุดท้ายต่อสุดท้ายที่ช่วยท่านได้ก็คือตอนก่อนจะสิ้นลมผมมั่นใจแล้วผม ผมคงต้องไปดีผมมั่นใจเพราะผมต้องปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ผมคือหลวงปเทียนกิตตสุโพที่ก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านแสดงธรรมโดยการเคลื่อนไหวจนสติตลอดจนท่านท่านสิ้นลมละสังขารไปครับขอบคุณครับเรอมาพึ่งสาวกันเองเลคุณ เลวัตมาเปลี <laughs> ่ยนในุาสนาจนรู้ลูกนาแล้วนี่ยไ่ว่าเมื่อก่อนในศาสนาคุณเลวัดเอ๊ะในศาสนาเพรอะอย่างมีปัสนาผลแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่อย่างนบอกก่อนหน้ามีปรสนาผลนี่ไม่ใช่เนี่ยแนกัเลยว่ามันมีผลมาถ้าจะว่าไปคุณเลวัดก่อนหน้าที่มาปฏิบัติอย่างที่ท่านบอกเป็นทุกอย่างเป็นในใบยกูเมืองนะตกใะยกูกินเหล้าเมายาเที่ยวชกต่อยนะไรเน่ย ตกระเบิดอวยิตั้งแต่เปรตอสุรตัายนรกแต่ขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นอสุเอริยภูมิได้โดยรักษณะอย่างเี้ยซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้คือของจริงเนี่ยคือหมายควาว่านรกกับปัจจุบันนี้จะเป็นสัตว์เป็นเนืันสิตวกับปัจจุบันนี่แหละแต่มาอยู่ที่ภูมิของจิตทายยกใช้สติปัญญาที่เราฝึกเนี่ยไปยกพาวจิตที่มันต่ำขึ้นมาสูงได้สูงสูงขึ้นไปเรื่อย ทีนี้ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าจิตของเราออกมาจากใบยุบภูมิตายไปเราถึงมั่นใจว่าเราจะไม่ตกนรกไปไม่สู่ใบยุบภูมิแล้เพราะเรารู้ใปัจจุบันนี่นะแต่ถ้าเกิดเราตายไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเนะนี่ยตรงนี้อันตรายเลยไม่รู้ว่าเราไปตกที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติยิ่งหนุ่มยิ่งสาวก็ยิ่งดีเพราะเรามีโอกาส คุณชาววัดที่เขาปฏิบัติกันแต่ๆนวลแต่ต้นต้นมาตั้่ปัจจุบันนี้ก็แค่ขึ้นมาจากอวัยวุภูมิได้ก็พอใจแล้วไม่ต้องงว่าแค่ว่ารู้จักว่าจะตายอย่างไรตายแล้วไปที่ไหนรู้แค่นี้ก็พอใจแล้วมนุษย์เราแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ทําให้เข้มแข็งมันคงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตายอย่างไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนอันนี้รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงมาก พอพบชาติชั่งวอตายไปแล้วเราจะเกิดมาเป็นมนรู้อีกครั้งนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยนะนั้นต้องทําให้ให้มั่นใจในชาติปัจจุบันเนี้ยนะแล้วก็ตัวอย่างหลายๆคนอย่างที่คุณกัมพลทองบุญนุ่มในตระเวนพูดลุงนี้ไปทั่วประเทศเนี่ยก็เป็นนามวัตถุกามภาพต่างตัวเนี่ไม่มีช้อยมีโอกาสที่จะมารู้เต็มที่อย่างอย่างพวกเรารู้ก็ยกมือแค่พิจา อาปากหาใจพลิกมือเล่นน้อยอยางเงียแต่ทำไม่หยุดทำเรื่อยๆก็มีโอกาสจิตมาอยู่ปัจจุบันได้เพขาอย่าลืมว่าจิตที่ไปสู่ภพภูมิต่างๆนั้นเพราะจิตมันออกจากกายนีออกเกิดกายไปสู่อดีตอนาคตมันถึงไปสร้างภพภูมิแต่ไม่จิตไม่ออกจากกาจิตอย่ปัจจุบันตลอดเนี่ยภพภูมิก็ไม่มีถ้าเราออกจากกายปั๊บมันสร้างภพสร้างภูมิเช่ไที่เราเรียนกันมาพอเข้ามาอยู่กายปั๊บภพภูมิก็หมด ชาติ้งหมดก็อยู่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นอาการกรรมธรรมซึ่งอยู่เหนือการเวลาการเวลาคือโลกโลกคือทุกข์เองเขาเรียกว่าโลกบัญญัติไม่เก่บกันเวลากาลพวกนี้พอเกิดเวลาพอเกิดโลกเกิดโลกก็เกิดทุกข์เกิดทุกข์ก็เกิดความคิดเกิดจิตเกิดความคิดเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นนี่คือหลักง่ายๆไม่ใช่ทฤษฎีที่ซับซ้อนลึกซึ้งอะไรนะวราเม่อจิตเรอยู่ปัจจุบันมีความชัดเจนถูกต้อง ความทุกก็มีความสุขก็ไม่มีไม่ไความรู้ตื่นเบิกบานนะแล้วอย่างเงี้ยเอามาว่าลงทุนเพือนแค่นี้นะคุณคุ้มอ่ะมันนั่นเองในช่วงของพวกเราเป็นผู้ใหม่มาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยขอให้ให้จำกายสร้างจังหวะนี้ให้ได้อยากจะทดสอบดูอีกครั้งนึ่งตอนเช้าสาธิตก็ถูกหมสร้างังหวพร้อมกันอีกครั้งนึ่งยูทิครั้งล่ง อสังเกตดีๆนะคนไหนตอบได้ก็ตอบเลยนะนณะยกยกลึกรดลงมีการหยุดที่ครั้งขึ้นที่ครั้งเคลื่อนหนึ่เคลื่อนหนึ่งสองเขาหยุดก็ไม่ได้สามใช่หมเป็สี่ห้าหกเคลื่อนเจ็ดหยุดแปดเคื่อนเจ็ดเก้าหยุดสิบเคื่อน Um. 2ิบสเื่อน่เพื่อนหยุดสิบหกเพื่อนเจหยุด1ิบแปเื่อนิเก้หยุดยี่สิื่อนยีสอหยุดยี่สิงเื่อนยีุ่ดยี่สีเพื่อนยี้า ยีเพ <20 S 2> uh ืป huh. ื 21, 29, 30, <te> ่อนความจริงนทั้งหมดยี่สิบเ้าคลิสามสื่อนส5บห้าหยุดอยู่สบห้าแต่ของเดิมเลื่อนสิสี่หยุดสแล้วมานับนับถ้าเตรียมด้วยเข้าไป2เป็นสาสิ เพราะนั้นเห็นว่าความขนาดความรู้สึกรู้สึกตกันเคลื่อนไปหยุดเนี่ยให้ทีขึ้นเพางั้นเยิงทีเท่าไหร่ก็ยิงยิงดีชัดสาหรับช่วงแรกนะแต่ต่อไปมัน็หลวมไปหลวมไปหลวมไปจะยู้เฉพาะทั้งเคลื่อนทั้งหยุดก็เหลือยีปไปเหลือยสิบสี่ใช่หมสี่ลูไปลูมาหือเจสังเกตไป แต่ถ้าสมมติว่ามันหลวมไปผามคิดมันออกง่ายไม่ชัดก็ขยัขึ้นจากเจเป็นสบสคามคิดเริ่มขยับรู้ไม่ทันขยับไปเป็นยี่สแปสลับขึ้นสลับลงเนี้ยแล้วถ้าตรงไหนรู้สึกมันตึงไปเครียดไปก็อ่ะสักสักเจ็ดยี่สิบสี่รูบางก็ดูบางไหรู้สึกมันสงบดีต้องการให้มละเอียดขยับจากสิบสี่เป็น ยี่แปดถึงสามสิบสำหรับผู้ใหม่นะอันนี้วิธีการสร้างจั่หวะต่อไปสาธิตวิธีการนั่งสมมติเรานั่งนี่มานานใช่ไหมสมมติเราเพียบหรือนั่งคายสมาธมานานเราจะเปลี่ยนถ้าเตื่นปุ๊บเลยเนะี่ยเราจะได้อย่างเดียวคือได้รู้สึกสบายแต่อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้คือไม่ได้ว่าเร า, เรายกอ ย, อย่างไร ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยความรู้สึกตรงที่เป็นยังไงหนักหรือเบาเวลาเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกหนักหนายไปยังไงความรู้สึกเบาเกิดขึ้นอย่งนี้เราจะไม่ได้ยังไม่ได้ตัวรู้ตัวนี้เราได้ตัวสบายที่ได้เปลี่ยนแต่มันจะไม่ได้เห็นความหนักหนักหายไปยังไงความเบาเกิดขึ้นยังไงไอ้ตัวรู้อันที่หลังเนี่ยสำคัญมันเป็นสติอันตัวรู้อันแรกเป็นเวทนาคือจากจะนักหนักเป็นเบา เรารู dropped, ้อันที่สองเห็นว่าหนักหนักเกิดจากอะไรเปาเกิดจากอะไรตัวมารู้ความเป็นไปของหนักของเบาชัดเองเพรเรื่อตัวสตินี่คือรายละเอียดของมันนะแต่ถ้าหากว่าจำจะสร้างจังหวะได้ใครก็ทําได้จําได้ก็ทําได้แต่ว่าน้ําหนักผลของการรู้เนี่ยมันจะไม่ชัดเจนไม่แจ่แจ้งเพราะขาดรายละเอียดเพราะนั้นตัวสําคัญอยู่ที่เราการเก็บรายละเอียดของความรู้สึก ไม่ใช่อยู่ว่าเราจํำท่าที่ทําได้นะสมมติเรานั่งนี้ไปเนี่ยก็สำรวจดูอีกว่าเออตอนแรกนั่งเตือนใหม่ใหม่ันสบายรู้สึกสบายใช่มเห็นเห็นเขานั่งทําไปสักพักรู้สึกสบายก็เริ่มหายไปหายไปตัวไม่สบายความหนักหน่วงทวงเท้าเริ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่ขึ้นถ้าเราไม่ได้ฝึกเสิีมาก่อนเราก็จะเปลี่ยนไปเลยปุ๊บปั๊บ ความหนักหาไปเบาเกิดขึ้นเราก็จะได้มิติเดียวมิติที่หักเป็นเบาเบาเป็นหนักสบายเมื่อสบายเป็นสบายเท่านั้นเองพอสองมิติคือมารู้ว่าหนักหายไปอย่างไรเบาเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็จิตของเราที่มันเกี่ยวข้องกับการเกิดประมาณชัดอยไม่ชัดเป็นมิติที่สาคือรู้มิติที่หนึ่งคือรู้ ว่าหนักเบาหายไปสองรู้ว่าเราเดิดขึ้นอย่างไรหนักหายไปอย่างไรสามขาะที่หนักหรือเบากิจของเราเป็นอย่างไรนี่ดูสามิตินี่ก่อทั้งหมดมันที่หมิตินะวัตถุเราเขาหาได้แค่สามมิติด้วยนะสี่มิติที่ยังไม่ชัดแต่นี่ของพระยาที่ได้พบควรเป็นหกมิติเราก็ดูละเอียดไปเรื่อยๆ ทีนี้พอเรานั่งนิ่นานแล้วมิจิจะเปลี่ยนนะครับไงค่อยบาลาน้ำหนักก็คือโยกตัวก็นิ่งแล้วก็ขยับขยับภูเขาขึ้นภูเขาขึ้นเราะฉะ้สังเกตในวิธีการนี้เราไม่ได้เน้นที่ความสงบของจิตแต่เน้นที่ความสงบของกายความสงบของกายไม่ได้หมายถึงหลักการนั่งนิ่งความสงบของกายคือความสงบจากทุกอเวทนา ไม่ทุกเวรหารบกวนเราก็บำบัดทุกเวทนาออกไปพอกายสงบจิตก็โปร่งเบาจิตก็จะสงบโดยธรรมชาติทั้งมันเพราะนั้นสงบแบบนี้จะไม่เป็นความสงบที่บีบบังคับนิสกดแต่เป็นความสงบที่เป็นไปโดยเหตุปัจจัยที่เห็นได้เรียกว่าเป็นสงบจากทุกเวรธนานะ แต่ทุกเวทนาที่จะปรับให้พอดีจิตเพื่อจะปกติจิตเพื่อจะรู้ตื่นเบื่บานไม่จิตไม่เป็นจิตที่หนักน่วงไม่เป็นจิตที่อ่างุนหงิดขี้เกียจหรือเพลินแต่เป็นจิตที่ตื่นตัวนะอันนี้ก็จะเราจะเห็นตัวการเคลื่อนไหวทางกายปรับปรับไปสู่การปฏิบัติเราจบวชได้อย่างไรคือการสอดส่องนะท่านเธอว่าคาวิจัยย ธรรมวิธยะคือการสดส่งสภาวะทำอะไรกันปรากฏผลนั่นเองชัดๆนี้ในถ้านั่งคสบัดในผู้ชายก็จะนั่งได้นานเพราะคุ้เคยแต่ผู้หญิงอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะนั่งได้สั้นห้านาทีสิบนาทีก็อยากเปลี่ยนนันี้ให้เอาเวทนาทางกายเป็นหลักไว้ก่อนอย่าเวทนาทางจิตเป็นหลักถ้าเวทนาทางจิตมันจะเปลี่ยนไว ป้อมันจะเปลี่ยนป้อมันจะเแต่ทางกายนี่เขาสามารถทนได้สามนาทีห้านาทีเจดนาทีถึงสิบนาทีนะเขาเป็นช้าทางนี้สักพักหนึงนะลองดูในความความรู้สึกที่สบายต่อให้เกิดความเพลินเพลินนี่มันจะเพลินไปทางง่วงงงเหงาสงบไปเพลินละเพลินในความรู้สึกฉะนั้นเราก็หลับ จะกบความเพลินนี้ออกไปซึ่งทีมันยังแต่ว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ชัดนะมันจะเพลินรู้อยู่แต่ว่ามันไม่พอที่จะตัดสินได้ว่ามันสบายหรือไม่สบายก็เพลินไปความรู้สึกนั้นนี่เรียกว่าเป็นตัวสัมชัญญะาคือรู้ต่อเนื่องกันไปในส่วนที่แคบหรีกว้างความรู้สึกเห็นสภาวะเวลามัน จะง่วงหรือจะคิดจะเห็นเห็นตามเห็นกับไปสู่ความรู้สึกใหม่พอเพลินไปสั่งพักมันก็จะสลัไปเรื่องความชอบหรือไม่ชอบความคิดที่ความอยากอากาศเพิ่มขึ้มันจะเพิ่มตามอัตราส่วนของการลงลืมถางลงลืมมากตัวคิดก็จะมากขึ้นจะลงลืมน้อยตัวคิดก็จะน้อยลงตามระดับเพราะฉะนั้นการสร้างยอดปัญจโฉคือการปรับความเข้มแข็งและปรับแสงสว่างของ สติสัมญาแนีให้ชัดเจนไปเสมอนะเพราะว่าเราคุ้นเคยอยู่แต่กับอวิชชามานานพอมาสู่ความรู้สึกตัวทักข์ร้อมเสมือนแสงสว่างปั๊บเราก็ไม่คุ้นจิตขวงเราก็แฉลบกลับไปหาที่เดิมนะอีนนี้ดีต่อไปดูให้ดีนะแม้แต่ท่านี้ก็หนักได้เร็วใช่ไหมแต่อไปเราจะท่าลุกขึ้นนะดูดูก่อนที่จะลุกไปไง อาการจากตัวอย่างของกันกราบเกียบบทนจะเห็นว่าจิตของเราจะตื่นตัวตลอดตื่นรู้แ้าความนหนักหน่วงความทื่อทึบ อ, อึบอับของความรู้สึกก็จะไม่ค่อยนหนักหน่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปนั่งหลับตาหงบลมหายใจแบบใดแบบหนึ่งความ หนักหน่วงทึบๆืนี่ก็จะมีกําลังทับเราจิตก็ไม่ตื่นรู้เพราะจิตจะเป็นจิตที่สลืงสดือหนักหน่วงท่วงทับเพราว่าตื่นรู้บื้องบนก็หายไปตัวสติสัมผัสก็หมดกําลังไปเหลือแต่ความง่วงเหงาความขี้เกียจความเบื่อในที่สุดเราก็เลิกอ้ทนไม่ได้นพอมีเวลาว่างเอเอ พึ่งสู้มาทําใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ยรอบแล้วรอบเล่าเพราะว่าตัวอาการที่เราทําเนี่ยมันไม่มีตัวเอื้อให้เกิดความตื่นรู้แต่ถ้าสมมุติว่าเราคอยปรับคอเปลี่ยนอยู่ๆค่อยสังเกตปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวอยู่นี้มันทําให้ตัวเอื้อต่อการตื่นรู้เนี่ยมีมากขึ้น <c oughs> คือไม่ติดจมอยู่ในะอาการอะไรหนึ่งนานเกินไป เพราะว่าคอยปรับเปลี่ยนตื่นรู้ก็เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นคือจงกระทั่งตัวนี้มันกลายมาเป็นตัวคุ้นใหม่ๆนะมันไม่ก่อให้เกิดความขี้เกียจไม่ก่อให้เกิดความหนักงงไม่พอให้เกิดความอึดอัดท่าเทืองมันก่อให้เกิดความช่มชื่นเบิกบานเบาสบายสติของเราก็มีกําลังพอสติเรามีกําลังมันก็เกิดตัวภาวะที่เข้มแข็งต่อหนึ่ง ตื่นรู้เบิกบานภาวะนี้ก็จะเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นตัวปัญญามันก็เกิดไปเห็นอะไรชัดเจนขึ้นอย่างคุณเลวัดว่าทําวันแรกนี่หนักมากๆเลยเนะอยากกลับบ้านอยากแกหนี้อยากแ<ะ><ะ>กทิ้งแมว อ, อ่ะพอวันที่สองมาแข็งใจสู้อีกวันหนึ่งอ่ะค่อยๆดีขึ้นวันที่สามอ่ค่อยเบาขึ้นอีกท่านใช้คําว่าการกลั่นตัว ข, ของ ของสติเหมือนกับเราเคิ้วน้ำมันหนะ่อไปต่อเนื่องนานเข้านานเข้ากะทิก็เริ่มแปลงตัวเป็นน้ำมันกันตัวเป็นน้ำมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลักษณะดเดียวกัน <c oughs> ตัวรู้สึกที่มันถูกรู้สึกที่เป็นสติเนี่ยถูกเวทนามันทับถมอยู่พอเราเร่งความเพียรตัวสติที่เป็นเสมือนน้ำมันตัวเวทนาเป็นเสมือนกะทิเนี่ยมันก็เริ่มแปลงเป็น ตัวสติมากขึ้นมากขึ้นเพราตัวสติมันจะเบาเวทนามันจะหนักนะแต่ด้วยความเพียรของเราขยันหมันเพียรในการปรับในการแก้ในการปรับในการแก้โดยไม่เท้าถอยนี่นะมันก็จะเริ่มเบาสบายขึ้นตัวหนักมุงทวงทับง่วงเหงาเข้านอนเบลอขี้เกียจมันค่อยๆหมดไปหมดไปความเวรเวรยความเบาความของจิตก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตของเราก็จะตื่นตัวมีความเบิกบานเบาสบาย วันที่สี่พอจิตปอสบายจิตมันก็ไปเห็นความจริงวันที่ห้าบางคนวันที่หกบางคนวันที่เจดบางคนแค่สี่วันอย่างคุณเรวัดเรามาแค่สี่วันเขาเห็นชัดและวความรู้สึกมันระหว่างหนักกระบอมันแยกกันชัดนเห็นไหมซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกครับซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถมองเห็นเหตุเห็นผลของมันมันตามลาดับแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะอึดแค่ไหนในช่วงที่เรา ถูเวทนามรบ ก, กนวนเราจะอึดเราจะทนแค่ไหนในการฝืนนะเพราะฉะนั้นในช่วงวิธีการของวัฏฏิยนถึงช่วงหนึ่งพอเห็นรูปพอเข้าใจอะไรมันหนักมันเบาอะไรเป็นรูปเป็นนามอะไรเป็นความคิดอะไรเป็นความรู้สึกชัดแล้วเนี่ยท่านก็จะให้เขาเก็บอารมณ์ถ้าไม่เขาเก็บอารมณ์มันก็จะติดสวิาาาาปัสสนุวิปัสสนุนคือไปตกหลุมความรู้สึกที่สบายเป็นปีติติ ปิติที่นี้มันก็ไปรู้นันรู้นี่ขึ้นมาซึ่งจะทําให้เราไปยิติดออกจากทุกไปยึดติดสุขออกจากชั่วไปยึดติดดีออกจากหนักไปยิติดเบาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นภาวะวิปัสสนูะแต่พอทาความเข้มข้นดึงคิดมาเป็นกลางไม่อยึดหนักยึดเบาไม่ยึดดีไม่ชั่วไม่ยึดคิดไม่ยึดรู้สิกให้เห็นอาการต่างๆที่เป็นไปเท่านั้นเองภาวะรูปนามก็ชัดขึ้นชัดขึ้น ซึ่งญาติโยมส่วนใหญ่จะถ้าตั้งใจทําก็จะสัมผัสได้ไวอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาพื้นฐานแต่ละคนเข้มแข็งแค่ไหนนะคนไหนมีปัญญาพื้นฐานมากก็เห็นไวคนไหนมีปัญญาพื้นฐานน้อยก็เห็นไปตามลําดับนะช้าบ้างหรือเร็วบ้างเรื <c> ่อ <oughs> นี้สําคัญนะทีนี้จะพาเดินนะเดินจมกลุ่มหลังจากสาธิตการลุกกันยืนกันนั่ง พลิกอะไรเปลี่ยอะไรที่นี้เราจะเป็นเขาเดินเดินในห้องนี้เดินไปกลไปกลัไมาคนลยสามข้าวห้างข้าวที่เดินเป็นหมูไปแตนนี้กำหนดลุกขึ้นนะเตรียมตัวขยับขยับเอาไปข้างหน้าก็ลุกขึ้นเห็นภาวะสุดท้ายคือความหนักนี่เราหันหน้าทางนี้เนะี่ยทางนั้นก็เดินเข้ามานี่ก็เดินดิ้ไปอะไรกัน เออหยาบมา ต, Four ตรงกลางคนที่อยู่ข้างในก็หยาบมัตรงกลางจะได้มีท cin ี่เดินอยู่นะเดินม nope ุ่งไปเดินตามมาแถวเลื้องสองเดี้ยงสามก็ได้ถ้าแถวเดินหนึ่งมันไม่พอแถวสองแถวสามเดินตามไปไม่รู้สึกเท้าสัมผัสพื้นหนักเบาๆเดินแต่